ขอน o m i ต่อพราฒนาไตยขอถวายความเคารพไปยังครูบาาจารย์หลวงปู่เทียนหลวง่คำเขียนขอโอกาสจากครูบาาจารย์เพื่อนสาธมิตรและก็เฉลิญพรญาติโยมก็นั่งฟังกันนะหลังจากธรรมชาตเสร็จก็จะมีการเทศบางทีก็เป็นการเปิดสื่อจากครูบาาจารย์บ้างอะไรบ้าง บางครั้งก็มีการเทศนาหลังจากที่ได้ธรรมะจบกันบ้างอาจจะฟังไม่รู้เรื่องเกินครึ่งหนึ่งก็เป็นคนจีนครึ่งหนึ่งเลยละ่ะอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นคนไทยฟังรู้เรื่องอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะมันคนจีนบางคนก็ยิ้มเนาะเหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าใจหรือปะ เหมือนมีพนคูดอยู่คนเดียวนะตอนนี้แต่จริงทั้งหมดทั้งบรรยากาศมันเป็นบทสนทนาทั้งหมดเลยอาจจะเป็นคนคนเดียวที่มีโอกาสจับไมค์แต่ว่าอีกหลายๆคนหรือว่าทุกคนในนี้ก็ได้ยินเสียงทั้งจะเข้าใจในภาษาหรือไม่เข้าใจในภาษาก็ตามใจของเรามันจะมี ปฏิกริยาตอบโต้เป็นบทสนทนาสองฝ่ายอยู่ตลอดเวลากับทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคำพูดที่ได้ยินหรือเรื่องอื่นๆบางคนมีบทสนทนากับอากาศอากาศที่หนาวเรารับรู้ได้ทางกายทางร่างกายร่างกายก็สนทนาตอกบกลับไปด้วยการสัน่น บางคนได้รับรู้ด้วยเสียงมากระทบที่หูอย่างคนจีนแต่เขาไม่ได้ยินเขาก็จะแปลภาษาในลักษณะที่เขาแปลได้เช่นถ้าอยู่ดีๆตอนนี้คนพูดหัวเราะขึ้นมาอย่างตอนนี้ทาเสียงสูงเขาก็จะมองขึ้นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็แปลภาษาในหัวของเขาเองจากประสบการณ์ต่างๆที่เขาเคยผ่านมา ถ้าเป็นคนไทยก็ได้ยินก็มีการแปลภาษาเหมือนกันทุกอย่างมันเป็นบทสนทนาบางทีมก็มีบทสนทนาของการง่วงเหงาหานอนนะได้ยินอะไรสักอย่างน้ําเสียงแบบนี้ประมาณนี้เช้าเช้าแบบนี้บางคนก็ทำให้ง่วงได้อยู่ทุกอย่างมันเป็นบทสนทนาที่เกิดขึ้น จากตัวเรากับสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้คือธรรมชาติอันนี้คือปฏิกิริยาตอบโต้ของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วการมาปฏิบัติธรรมการมาเจริญสติก็คือการมากลับมาระลึกรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง เราต้องการมาเรียนรู้ธรรมชาติธรรมชาติก็คือความเป็นธรรมดาความเป็นปกติของมันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะต้องรู้ก็คือเราจะต้องไม่พยายามบังคับมันปล่อยให้มันทางานปล่อยให้ปฏิกริยาตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทางานเป็นปกติ แต่ว่าเราต้องมีตัวสติในการเข้าไปรับรู้มันการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การกดคมุมการปฏิบัติธรรมไม่ใช่การบังคับตัวเองบังคับอารมณ์แต่เป็นการสร้างสร้างองค์ประกอบให้จิตมันสามารถรับรู้ธรรมชาติเหล่านี้ได้ องค์ประกอบในนั้นเมื่อกี้เราก็เพิ่งสวดนะเมื่อกี้อาจารย์สุลินภาสวดมาสติปทานพุจจารยเจ้าบอกว่ามันเป็นเอกายานามัคเป็นทางเอกครูบาอาจารย์บางท่านก็แปลว่าเป็นทางเอกขนทางเดียวบางคนก็แปลว่าเป็นทางหลักเอาละแต่จากชื่อมันก็ดูดีนะเป็นทางเอกเอกาน่าจะมีอะไรน่าสนใจ ข้างในก็มีพูดถึง4หมวดนะกายเวทนาจิตธรรมพิจารณาเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมเห็นกายในกายคืออะไรเห็นกายในกายปกติเราเห็นกายแต่เราไม่ได้เห็นในกายนะ เราไม่ได้เห็นกายในกายหรือบางทีเราก็เห็นในกายแต่เราไม่ได้เห็นกายงงปหมปุติเราเห็นกายบางคนก็บอกว่าเราเห็นกายเป็นกูเป็นเราเราไม่ได้เห็นร่างกายมันเป็นร่างกายอย่างเดียวเราเห็นร่างกายมันเป็นสุขเป็นทุกข์ เราเห็นร่างกายมันเป็นปฏิกิริยาอะไรต่างๆตอนนี้เราจะกลับมาพยายามเห็นมันว่าออเห็นความเป็นกายในกายธรรมดาของมันเห็นความเป็นเวทนาในความเป็นเวทนาของมันเห็นความเป็นจิตในจิตของมันเห็นความเป็นธรรมในธรรมของมันบุติพอเราเห็นแล้วก็จะแปลค่านะแปลค่า มันจะมีปฏิกิริยาของใจที่ไปแปลคา Make แปลค่าของเวทนาอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นหรือมันควรจะไม่ต้องเป็นอย่างนั้นหรือมันควรจะต้องเฉยเฉยมันควรจะต้องว่างๆนี่ก็แปลค่าเหมือนกันเราไม่ได้เห็นกายในกายละเราไม่ได้เห็นเวทนาในเวทนาเราไม่ได้เห็นความเป็นธรรมชาติของมันละ เราเห็นแต่การแปลค่าของมันที่เกิดขึ้นการแปลค่าก็ไม่ได้ผิดอะไรนะการแปลค่าก็เป็นบทสนทนาที่เราพูดถึงเป็นบทสนทนาของตาหูจมูกลิ้นกายใจกับธรรมชาติที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นธรรมชาติภายนอกบ้างธรรมชาติภายในบ้างกายสนทนากับกายเองก็มี ตาสนทนากับรูปเองตาสนทนากับอย่างอื่นเองตาสนทนากับความคิดก็มีทุกอย่างมันก็สนทนากันได้หมดเนาะพูดกว้างๆนะอาจจะไม่ได้ถูกตามหลักมากบทสนทนานเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองบางทีใจเราก็ไปรับรู้ไปบางทีใจเราก็ไม่รับรู้ พอรับรู้ล้วก็จะรับรู้ได้ถึงอาการนี่แหละมันเป็นยังไงบ้างนะมันมีการตัดสินมันมีทิฏฐิมันมีมานะที่ไปไป้ายในสิ่งต่างๆเวลาที่มันเกี่ยวข้องก็เป็นบทสนทนาตามธรรมชาตินะไม่ได้จาเป็นต้องห้ามไม่ได้หมายถึงว่าโอเคเราฟังอะไรเรามีปติกิยาอะไรแล้วเราไปตัดสินแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ผิดเสมอไปมันก็ผิดอยู่ในระดับหนึ่ง แต่มันก็เป็นอุปกรณ์ที่เราระลึกรู้ได้ในระดับหนึ่งทำยังไงที่เราจะกลับมาระลึกรู้เราต้องสร้างสติมาสติปัญฐาสติปัญญาที่เมื่อกี้พูดถึงเนาะมีในกายในเวทนาในจิตในธรรมเราก็ได้สวดเพิ่มหลังจากนั้นจริงๆมันมีเยอะกว่า น, นี้นะในในสือสวดมนต์มันถูกคัดเลือกมา อยู่สอหมดสบวดเป็นหมวดที่ว่าด้วยอิริยาบถใหญ่แล้วก็สัมปชัญญะการรู้ตัวอยู่ในส่วนของกายเหมือนกันเราก็พวกเนี้ยเป็นฐานเป็นฐานของสติทํายังไงเป็นฐานของสติก็คือมีความระลึกรู้อยู่ในการยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถใหญ่ มีการเล่ลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ในอิริยาบถย่อยการเคลื่อนไหวขยับต่างๆคูอวัยวะเข้าเหยียดอวัยวะออกเหมือนที่เรากำลังทำเราเคลื่อนไหวมือเราก็รู้คูเข้าเหยียดออกรู้ในการแลไปข้างหน้าแลไปทางซ้ายแลไปข้างขวา รู้ในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิม้มเดินไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังทรงผ้าสังคติบาทและจีวรก็เหมือนพวกเราอะเนาะรู้ในการแต่งตัวถ้าเป็นคาราวาสก็รู้ในการใส่เสื้อผ้าตักข้าวถือบาทเนาะแล้วก็เหมือนกันเราถือชามเดีย ต, ตอนเช้าเราลองไปถือชามเหมือนพระถือบาท มีสติรู้อยู่กับมันมีสติในการถ่ายวุจาระปัสสาวะพระพุทธเจ้าท่านละเอียดนะท่านเก็บรายละเอียดได้หมดนะทุกทุกอย่างแล้วก็มีสติในกีอิริยบทใหญ่เอามาพูดซ้ำอีกทีนะในหมวดสัมมชัญญะการจืนเดินนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่ง ไอสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องระลึกรู้ระลึกรู้เพื่อที่จะมาให้ใจมันมีกำลังขึ้นมาเพื่อที่จะไปได้รับรู้บทสนทนาเหล่านั้นนะนะบทสนทนาของตัวเราที่เกิดขึ้นกับสิ่งต่างต่างทั้งภายในและภายนอกอย่างที่พวกเราทำเคลื่อนมือ1ิบสจังหวะเดินจงกรมก็เป็นรูปแบบของหลูกปูเทียนจิตสุโพท่านก็ ยุกมาแล้วก็พัฒนารูปแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เรามีเครื่องอยู่ที่มันชัดเจนมากขึ้นมีเครื่องอยู่คือเมื่อมันมีเจตนาที่จะเคลื่อนไหวมือนี่แหละในแต่ละครั้งในแต่ละครั้งมันก็เหมือนเรากลับมาและลึกรู้แล้วการคูอวัยวะเข้าเหยียดอวัยวะออกหรือถ้าเราเคลื่อนไหวมือไม่ได้ท่านข้าจะสอนว่าไปนั่งรถเมย์นั่งเรือ เราก็ดิกนิ้วพลิกมือขึ้นพลิกมือลงได้ในการเคลื่อนไหวก็ทําให้เราได้สร้างฝึกสร้างสติขึ้นมาฝึกสร้างสติขึ้นมาฝึกสร้างให้ใจมันมันล่าลึกรู้อยู่กับฐานของกายขึ้นมาในสมัยท่านก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็เหมือนมีคนบอกท่านว่าเออที่ท่านทำเนี้ยเคลื่อนไหวมือสิบสี่ว่ามันไม่มีใน ในตำร า, าไม่มีในปัตตยปิโดหลวงพูฒเทียนท่านก็ตอบตรงๆนะว่าไม่เขียนไว้มันก็ไม่มีหมายถึงก็ไม่มีคนเขียนในนั้นอ่ะมันก็เลยไม่มีแต่สิ่งที่ท่านพูดมันเป็นความจริงคิดว่าท่านคงไม่ได้มาอ่านในหนังสือนะเพราะท่านก็ไม่น่าจะสันทัดหรือถนัดในการอ่านเท่าไหร่ งจริงอย่างจงางิมกี้เราอ่านเนาะมันก็เหมือนมั น, ม, น, ม, นมันมีอยู่มันมีอยู่เออมันเป็นการเคลื่อนไหวมีสติในการระลึกรู้ต่างๆ่าล้หลวงปู่เทนก็บอกอีกเราก็ระลึกรู้ไปได้ในรู้สึกตัวตั้งแต่การตื่นตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลยเวลาเราฝึกสติเราสามารถฝึกสติได้หมดฝึกสติได้กับทุกๆอย่าง ในสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหละฝึกสติแล้วเป็นไงมีอะไรเกิดขึ้นใจมันจะเริ่มกลับมารู้สึกถึงฐานสติปฐานรู้สึกถึงฐานได้มากขึ้นจากการสร้างมีเจตนาสร้างนี่แหละมีเจตนาย้ำๆซ้าๆบ่อยๆเมื่อวานวัน2 ว, วันเราฟังฌานกพนัพลเนาะเปิดสือ่อท่านท่านก็บอกนะ่ะคนวิ่งร้อเมตร มีเจตนาซ้ำๆในการฝึกไม่รู้ฝึกกี่วันกี่เดือนกี่ปีวิ่งแค่ร้อยเมตรถึงเวลามาแข่งจริงสิบนาทีเราก็เนี่ยนะเราก็ฝึกฝึกไปฝึกไปมันก็เหมือนเป็นการฝึกซ้อมของนักกีฬาอย่างหนึง่งในขณะที่ฝึกเราก็เคลื่อนไหวไปด้วยรู้สึกตัวไปด้วย การูส้สึกตัวเราก็จะรู้เป็นจุดเป็นครั้งเป็นครั้งถ้าเป็นหลวงพ่อเขียนนี่ก็จะมือออกมารู้เป็นจุดอย่างนี้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไปรู้สึกตัวอย่างนี้เป็นจุดไปรู้เป็นจุดเป็นครั้งท่านก็บอกว่ามันจะไม่ใช่รู้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่มาพูดนี่ก็ทํามือไปด้วยนะ คนจีนเขาก็มองเขาพยายามทำความเข้าใจเขารู้เป็นจุดเป็นครั้งเป็นครั้งมีเจตนารู้เวลาเคลื่อนให้รู้ว่าหยุดก่อนแล้วค่อยเคลื่อนอันต่อไปให้รู้ว่าหยุดก่อนแล้วค่อยเคลื่อนอันต่อไปไม่ต้องห่วงนะว่ามันจะไปจมในอารมณ์ ในจังหวะในแต่ละก้าวในแต่ละการหยุดแวลาที่เรารู้เราปล่อยรู้เราปล่อยเป็นจุดๆเป็นกลางๆนะช่วงนั้นจิตมันได้ออกมากระทบอารมณ์เป็นอิสระอยู่แล้วแต่เราก็สร้างรู้ขึ้นมาใหม่มันจะเหมือนกับเราเป็นนักกีฬาที่ฝึกซ้อมไปด้วยแล้วแข่งไปด้วยฝึกซ้อมไปด้วยแล้วแข่งโดยสลับกันอยู่ทุกๆ ก, การเคลื่อนไหว มันได้เจอของจริงด้วยได้ฝึกซ้อมด้วยให้เจอของจริงด้วยได้ฝึกซ้อมด้วยเสมือนได้ฝึกซ้อมกับการเจอของจริงไปพร้อมๆกันครูบาาจารย์บางคลได้มีพระรูปหนึ่งท่านเล่าใว้นะได้ไปที่สมพนัดมาแล้วก็ไปเจอครูบาอนันครูบาอันบอกว่าเนี่ยฟังหลวงพ่อประโมทเมื่อกี้หลวงพ่อประโมท พูดถึงหลวงปู่เทียนนะเปรียบมันก็เป็นซูเปอร์แมนเป็นยอดมนุษย์เ <c oughs> ทียบเหมือนเป็นหลวงปู่มั่นเลยนะเพราะว่าท่านท่านรู้ได้ด้วยตัวของท่านเองเป็นซูเปอร์แมนไม่ได้มีใครสอนอยกมืองี่แล้วก็รู้ได้รู้ธรรมะได้ในการทำของท่านเองแล้ั้ะวิธีหรือลักษณะการเคลื่อนการหยุดเคลื่อนไหวแบบ มันก็ทำให้ใจเรามันมีสติขึ้นมาและในระหว่างที่เราเคลื่อนมือไปในแต่ละครั้งเองก็เถอะใจเราก็ยังเคลื่อนไหวรับรู้สิ่ ง, งต่างๆเป็นธรรมชาติได้มันเหมือนมีช่องว่างให้ใจมันก็ทำงานเป็นปกติแล้วเราก็เคลื่อนต่อไปรับรู้แล้วเราก็เคลื่อนต่อไปจะเหมือนเราทั้ง ท, ทางทั้งพักทั้ง ท, ทาทั้งพักทั้ง ท, ทาทั้งพักไปดูตรงนี้ก็จะเหมือนใจเรามีสติฐานฐานองกาย ที่ท่านสอนนะแรกๆคันก็มุ่งไปเป็นเรื่องของฐานของกาย ใ, ใจมันมีกําลังมีสติตั้งขึ้นมาก่อนจะเรียกว่ามีสมาธิก็ได้นะจะเป็นสมาธิแบบสา ม, มาสมาธิที่ตั้งขึ้นมาพอใจมันตั้งขึ้นมาแล้วมันก็สามารถมีแรงไปรับรู้บทสนทนาที่เรามีเกิดขึ้นกับธรรมชาติกับสิ่งต่างๆรอบๆตัวนั่นแหละ มีทสนานาและใจเราย่างไงเกิดขึ้นท่านสอนเราเคลื่อนมืออย่างนี้เพื่อที่เราเนี่ยจะได้มีใจที่มีกำลังรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นการเคลื่อนมืออย่างนี้มันก็เลยเหมือนเป็นฐานเหมือนเป็นฐานที่มั่นของเรา แต่จุดประสงค์มันก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นท่านต้องการให้เราดูกายที่เคลื่อนไหวเห็นใจที่มันนึกมันคิดอันนี้เหมือนประเด็นสำคัญเลยนะเห็นใจที่มันนึกมันคิดพอใจเรามีกำลังแล้วเราก็สังเกตดูใจที่มันคิดไปนู่นบ้างไปนี่บ้างอันนี้เหมือนเป็นหลักของปฏิบัติท่านก็บอกว่าถ้าเห็นความคิดเนี่ยถึงจะได้ต้นทางของการปฏิบัติ เราเอาใจที่สังเกตอยู่ในกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยนะนะเราไมาเห็นใจเห็นใจที่มันคิดเมื่อเห็นใจที่มันคิดเราก็จะเห็นว่ามันก็ไปบ้างไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างไปปัจจุบันบ้างแรกๆคนมาวัดใหม่ๆบางทีช่วงแรกๆอา จ, จะนึกถึงคิดถึงอดีตบ่อยอดีตที่เราเคยทำเรื่องปัญหาอะไรต่างๆมา ถ้ามาอยู่หลายๆวันนะสิบวันเดือนหนึ่งแรกๆจะคิดถึงอดีตพอช่วงจะกลับก็คิดถึงอนาคตนะช่วงกลางๆ ก, ก็จะคิดเป็นปัจจุบันนะช่วงกลางๆพอไปถามนักปฏิบัติก็จะบอกโอ้สบายไม่คิดอะไรละ <c oughs> อยู่วัดแลด้วดีอะไรเงี้ยเออเริ่มเข้าใจปฏิบัติแล้วจริงใจที่ไม่คิดไม่มีหรอกนะ มันมีแต่มันต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นกับจิตเราอันนี้เป็นหลักธรรมชาติหลักปกติแต่เรารับรู้หรือเปล่าการคิดบางทีมันคิดไปในอดีตบ้างคิดไปในอนาคตบ้างบางทีมันคิดในปัจจุบันบ้างคิดในปัจจุบันคิดตาเห็นรูปก็คิดเอามาแปลภาษาในหัวคิดบางที มันก็คิดเกี่ยวกับตัวเราเองนะปัจจุบันในตัวเรองคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติยกมือต้องอย่างงูยกมือต้องอย่างนี้ก็มาเคยนะยกมือเดินจงกรมอยู่ตอนนั้นเป็นโยมอยู่ตรงเนี้ยอยู่ข้างๆลานินโค้งเดินไปใจมันก็คิดถึงการว่าเราจะเดินจงกรมยังไงนะในอีกในอีกช่วงข้างหน้าที่เราจะปฏิบัตินะคิดในปัจจุบันแล้วก็โยงไปอนาะคตนูน่นเฮ้ยแต่คืนนี้จะเดินจงกรมหนึ่งสองทุ่มสาทุ่มว่าไปตอนนั้นก็ตอนกลางวัน แต่ตอนเดินกันตอนยังวันนี้ไม่รู้ตัวนะแต่คิดว่าจะเดินจงกรมในอนาคตก็คิดไปเหมือนกันบางทีก็คิดเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้ผิดไหมคิดสงสัยเป็นวิจิตรฉาเป็นอะไต่างๆใจมันก็คิดในอดีตบ้างในอนาคตบ้างบางทีมันคิดไปไกลๆบางทีมันคิดไปใกล้ๆไกลๆไปหาคนที่บ้านเราคนคิดไปต่างประเทศก็มีคนจีนก็คงต้องคิดบ้างแหละไปต่างประเทศ ไกลมากเลยนะนั่งรถนั่งเครื่องบินมาตั้งหลายชั่วโมงนั่งรถอีกไม่รู้กี่ต่อพอจะกลับไปคิดไปหาเมืองจีนนะแป๊บเดียวถึงเลยถึงปุ๊บแล้วกลับมาปับ๊บนี่ยบางทีคิดไปไกลบางทีมันคิดใกล้ๆอย่างที่บอกนะคิดเป็นปัจจุบันเรื่องราวในปัจจุบันขณะบางทีมันยิ่งกว่คิดใกล้คิดเข้ามาข้างในก็เรื่องของตัวเองวิภาควิจารณ์ตัวเองชอบไม่ชอบตัวเอง ความคิดที่หลวงปู่เทียนบอกเนี่ยตะมาแปลนะเนี่ยตะมาแปลเองไม่รู้ท่านหมายถึงอย่างอย่างนี้หรือเปล่าบางทีมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของสนทนาเรื่องบางทีมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องบทสนทนาในความคิดอะไรต่างๆวอ๋อยงงอย่างงุ่นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บางทีมันคิดเป็นสภาวะคิดเป็นสภาวะว่างๆบ้างคิดเป็นสภาวะความสุขบ้าง ก็เรียกว่าใจมันปรุงขึ้นมามันก็คิดขึ้นมาเป็นสภาวะความสุขเป็นสภาวะความพอใจความไม่พอใจต่างๆถ้าเรารู้ทันมันเราก็กลับมาที่การเคลื่อนไหวสัมผัสเหมือนเดิมหลักดูง่ายๆเนาะหลักดูไม่มีอะไรเลยการปฏิบัติแต่รายละเอียดที่เราจะเห็นมันก็จะละเอียดมากขึ้นไปมากขึ้นไปมากขึ้นไป ในมหาสติปัฏฐานสูตรที่เราสวดมันก็เลยมีพูดถึงการมีความเพียรเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกต้องถอนหมดนะถ้าจะถอนแต่ทีนี้คำว่าถอนไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องไม่มีความพอใจหรือไม่พอใจในนั้นนะกินของอร่อยกินของที่เราเคยชอบของที่เราเคยลับลอดแล้วอร่อย ก็มีความรู้สึกอร่อยได้นะไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไปลิ้นจละเคกินไปแล้วไม่รับรู้รสโดนอากาศหนาวไม่หนาวไม่ใช่อย่างนั้นนี่เป็นเรื่องที่ร่างกายผิดปกติละ่ะไม่ก็มีการหักห้ามใจเกิดขึ้นละ่ะแต่เมื่อมันกระทบลิ้มรสมันก็มีความชอบพอใจหรือไม่พอใจได้แต่คำว่าถอนในที่ทนี้หมายถึงว่าการถอนใจให้มัน ออกมารับรู้ถอนใจออกมาให้มันสังเกตเห็นอาการพอใจหรือไม่พอใจตรงนั้นแล้วเมื่อพอมันถอนออกมาแล้วมันก็เห็นความพอใจบางทีมันก็เห็นซ้อนนะเห็นความพอใจในความไม่พอใจเราเห็นตัวเอง เฮ้โลภอะ่ะจะตักอาหารตอนเช้าพูดถึงตักอาหารบ่อยสงชัยอตาตมาหิวเนาะมิถอยกตัวอย่างตักอาหารตักอาหารยิ้มมะพูดอย่างนี้คนฟังยิ้มนะบางคนมีรอยยิ้มมุมปากสังเกตรอยยิ้มของตัวเองนี่เกิดขึ้นเสียงมังกรท้หูเนี่ยปฏิกิริยาของใจไม่ใช่ว่ายิ้มไม่ได้นะก็ยิ้มได้ยิ้มเสร็จแล้วเราก็แน่สังเกตความพอใจเกิดขึ้นมัน ที่มันเกิดขึ้นางที่อย่างที่บอกคือมันเห็นซ้อนเห็นความพอใจในความไม่พอใจเช่นเราเห็นว่าเรากำลังจะตักอาหารเราเห็นว่าเรากำลังโลภละมันโลภมีคนแย่งแฉงหน้าไปปาดหน้าไปปื๊ดหนูลาเราขับรถเราในะกรุงเทพขับรถปาดหน้ากันเราเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นถูกไหอันดับแรกแต่และเป็นไง เราเห็นทันเราจะพอใจไหมพอใจนะเออพอใจในการเห็นของตัวเองก็ดีนะแต่ถ้าจะดีขึ้นอีกก็ต้องกลับมามีสติคือเห็นทันรู้ทันอีกทีมันมีความพอใจซ้อนขึ้นมาแล้วเออเรารู้แล้วว่าเรามีสติแล้วนะรู้ซ้อนในสิ่งที่เกิดขึ้นไหมหรือบางทีมันก็ซ้อนกันอย่างนี้นะความพอใจซ้อนเป็นความพอใจความไม่พอใจซ้อนในความไม่พอใจอะไรต่าง เพราะฉะนั้นการการเคลื่อนไหวรู้สึกทำอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องรู้สึกตลอดเวลาแต่หมายถึงว่ารู้สึกอยู่สร้างความรู้สึกใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเมื่อสร้างใหม่ก็มีช่องว่างให้ใจมันได้เคลื่อนขับขยับเคลื่อนไหวแล้วเราก็สร้างใหม่ไปเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลา หลวงพ่อว่ารู้ทีละครั้งก็ได้วิละครั้งโดยประมาณเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกตรงนี้ก็จะทําให้เราได้สังเกตมากขึ้นบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นในช่วงความคิดซ้อนที่มันเกิดขึ้นเราก็ไม่เป็นไรนะกลับมารู้สึกก่อนหรือ บ, บางทีมันเห็นแล้วก็ดีเห็นแล้วเราก็ต้องกลับมารู้สึกดีถ้าเราไม่กลับมารู้สึกมันก็จะเห็นซ้อนไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะ เราก็ต้องตกลงไปไหนสักอันนะนอกจากว่ากำลังสติมันจะพอที่เมื่อกี้บอกว่ามันใจที่มันไม่คิดเนี่ยไม่มีหรอกบางคนบางทีเราก็รู้สึกนะว่าเราไม่ได้คิดแต่บางทีเราก็คิดอยู่นะในขณะนั้นคือคำว่าคิดในที่นี้มันหมายถึงภาษาธรรมะเรียกว่าเจตสิกนะจิตกับเจตสิกเกิดขึ้นเกิดคู่กันนะ จิตมันมีหน้าที่ไปรับรู้อารมณ์เชตสิกก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดขึ้นเป็นอะไรเป็นสังขารการคิดการปรุงอะไรต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นเป็นความง่วงเหงาหาวนาอนการซึมการโดนดูดเป็นอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะไม่ได้หมายถึงว่าตอนนั้นจิตคุณจะไม่มีอะไรก็มีที่เกิดขึ้นเป็นความว่างว่างในที่นี้หมายถึง สิ่งที่คุณคิดว่ามันว่างะนะเกิดขึ้นมปนความว่างขึ้นมาก็ต้องรู้ทันความว่างนะอย่าไปอยู่ในความพอใจตรงนั้นเราจึงมีหนะ้าที่ต้องรู้นี่แหละรู้บทสนทนาที่เกิดขึ้นรู้เจตสิกที่มันเกิดขึ้นนี่แหละมันมีอะไรบ้างมันก็รู้ไม่ค่อยจะทันนะนะโดยปกติรู้ไม่ค่อยจะทันแล้วก็ทำยังไงละ่ะพัฒนาตัวรู้ขึ้นมาสร้างตัวรู้ขึ้นมา ้างการขยับมีเจตนาเคลื่อนไหวขึ้นมาอย่างน้อยเห็นรายละเอียดยังไม่ทันก็ไม่เป็นไรแต่ใจก็ได้ฝึกอยู่กับปัจจุบันตรงเนี้ยไปเรื่อยๆจนพอมันเริ่มมีกำลังมากขึ้นมันก็จะเริ่มเห็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆปิกย่อยมากขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัติที่เราได้ใส่ใจสนใจกันไปบางคนอาจจะต้องกลับบ้านบางคนก็มาเจวัน คนจีนอีกสองสัปก็กลับแล้วบ้งกลับไปมันก็ไม่ได้เหมือนอยู่ที่วัดก็ขึ้นอยู่กับเจตนาแล้วล ะ, ละว่าจะเอาไปทําอะไรกันอย่างไงการมาวัดก็เหมือนมาการมาสร้างนิสัยใหม่มีนิสัยในการเคลื่อนไหวรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกมีนิสัยในการรับรู้บทสนทนาที่เกิดขึ้นจากอา ย, อายตนะภายในอายตยานะภายนอก ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลดิ่นรสปุถะพระธรรมลมเนี่ยสร้างนิสัยในการรับรู้สิ่งพวกนี้พอกลับไปเราก็สามารถที่จะสร้างใหม่เองได้เรารู้วิธีแล้วทํำยังไงให้นิสัยนี้มันเด่นกว่านิสัยอื่นในชีวิตหรือแม้กระทั่งอยู่วัดเองไม่ได้กลับทํายังไงให้นิสัยนี้มันเป็นนิสัยที่เด่น ขึ้นมาเป็นนิสัยที่นำขึ้นมาจนทาให้เป็นสันดานก็ได้นะทาเป็นสันดานของเรามีหน้าที่รู้สึกอย่างเดียวดีไหมมีสติเป็นสันดานน่าจะดีนะมีสติเป็นนิสัยน่าจะดีนะปกติมีนิสัยขี้โมโหนิสัยขี้เกียจอันนี้มีนิสัยรู้ขึ้นมาไม่ได้สิ่งที่ทำไม่ได้นะแต่เราก็ต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆมันไม่ได้เป็นลูกฟลุกปฏิบัติธรรม อยากให้มันซึมก็ต้องทำซ้าทำซ้าเรื่อยจนมันซึมแล้วก็คอยสังเกตไปซึมขึ้นมาเมื่อเรารู้ละเราสามารถรู้วิธีปฏิบัติได้เองเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมันขยับเคลื่อนไหวอะไรก็เราก็รู้สึกสิ่ ง, งนั้นเกิดขึ้นแล้วความรู้สึกตัวเนี่ยก็จะพาพาเราไปรู้รายละเอียดของบทสนทนาเหล่านั้นะ ดูราย ล, ละเอียดที่มันยิบย่อยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อนันใจเราก็จะเรียนรู้ธรรมะจากสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เรียนรู้จากการคิดนะธรรมะเรียนรู้บางคนเรียนรู้จากบางทีทำไปแล้วมันรู้สึกเราเข้าใจอะไรขึ้นมาเราแตกฉานอะไรขึ้นมาเบรกตัวเองไว้ก่อนนะ การแตกฉานหรือการเข้าใจมันมาจากความคิดล้วนๆเลยถ้ามันไม่คิดมันไม่แตกฉานหรอกแต่ น, นี่หมายถึงความแตกฉานจากที่เรารู้สึกได้นะแต่มันจะมีความแตกฉานอีอย่างที่เรารู้สึกไม่ได้รู้สึกได้แต่อธิบายไม่ได้อันนี้เป็นสิ่งที่7จมันเข้าไปเรียนรู้บางทีมันมีรู้สึกมีความรู้อะไรขึ้นมา <c oughs> ก็พยายามหย่าวความรู้นั้นไปสร้างความรู้ใหม่นะ ตอนที่พระอาจารย์ชา ญ, ชาญิโลโทท่านมาที่งานลาสังขารหลวงพ่อได้ยินทาพูดประโยคหนึ่งท่านแอบผมอาจมาแอบฟังะนะท่านสนทนากระพรูปหนึ่งในรถตอนนั้นตอนเช้ากําลังนั่งรถตูนไปทําวัดเสร็จเนะี่ยจะไปวัดภูกระทองท่านสวนาพระรูปหนึ่งท่านบอกว่าไม่ใช่เวลามีปัญญาไม่ใช่เอาปัญญาไปนําความคิดนะไม่ใช่เอาปัญญาไปสร้างความคิด จำไม่ได้นะวมื่อจริงท่านพูดคําว่าอะไรแบบเป๊ะๆนะแต่พอจําความหมายได้อยู่คือท่านไม่ได้บอกว่าเรามีปัญญาไมได้เอาปัญญาไปทาําสร้างความคิดอะไรนะเอาปัญญามานําสติอามาสร้างสติอีกทิ้งเกิดมีความเข้าใจเกิดมีไอเดียอะไรดีๆพยายามแปลเปลี่ยนมันเป็นการปฏิบัติในการสร้างสติขึ้นมะากลับมารู้สึกตัวก่อนกลับมารู้สึกตัวก่อนกลับมารู้สึกตัวก่อนตรงนี้ก็ทําให้เราได้ก้าวหน้าแล้วก็ ได้มีนิสัยใหม่นิสัยของความรู้สึกตัวที่มันควบคู่กันไปเราก็จะได้เอาไปใช้ไปเรียนรู้บทสนทนาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเ <c oughs> <c oughs> นาะราวนี้ก็พูดกันเท่านี้เนาะแย่ถึงเวลาเราก็เนี่ยวันนี้มีบทสนทนาตลอดเลยเต็มๆทั้งวันไม่ได้หมายถึงให้คุณไปพูดคุยเนาะแต่หมายถึงว่า ทุกอย่างที่เราได้เกี่ยวข้องในชีวิตมันจะมีบทสนทนาเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะเงียบหรือปีกปากพูดก็เถอะเพราะฉะนั้นเวลาเกี่ยวข้องอะไรพยายามเบรกตัวเองหน่อยเบรกตัวเองหมายถึงว่าก่อนที่เราจะตอบสนองการพูดการคิดบทสนทนาของใครเบรกตัวเองสักวิหนึ่งครึ่งวิก็ได้2วิก็ได้กลับมารู้สึกตัวก่อนแล้วช่วงนั้นเราจะสังเกตได้ว่าใจเราจะเป็นยังไงกายมันเป็นยังไงเพิ่งด่วนที่จะ สนทนาตอบกลับไปเร็วนักเนื่อสังเกตเห็นก็กลับมาสร้างสติก่อนเราก็เจอทั้งวันนี่แหละในชีวิตในวัดในชีวิตในบ้านเอาทุกทุกอย่างทุกทุกที่เป็นการฝึกเนาะก็ขออนุโมทนากับทุกคนนะทั้งคนจีนที่คิดว่าทาก็ผงฟังรู้เรื่องเนาะจากน้ำเสียงแล้วก็ทั้งคนไทยก็ขอให้พวกเราได้ใช้สถานที่ที่เนียใน เป็นเหตุเป็นปัใจจัยในการสร้างนิสัยแห่งความรู้สึกตัวกันกราบพระพร้อมกัน